ก็ห ล, ล, ลอกหลอกปอกๆแปอกๆอแ่ารนะรู้สึกหมูป่าก็เยอะนะเดี๋ยวนี้นะเห็นมันออกมาเพียนผ่านยังอ้วนอยู่หรืออาจจะมันอยู่ใกล้เราก็ไม่รู้นะที่มันอ้วนนะอยู่ใกล้เราอาจจะผอมก็ได้ถึงยังไงก็ให้พวกครูบาท่านเวทดูเรื่องมันจำปังอาหารพยายามเอามาให้มันกินนะเริ่มๆแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันดินมันแข็งแล้วจะมูมันดุด แท็ตเตอร์มันใช้งานไม่ได้แล้วผลิตมันแข็งต้องเลี้ยงอาหารมันะ่ะช่วงนี้หน้าแรงเลยถ้ามีกล้วยมีลักกอบ้านไหนที่มีลักกอน่าจะไปเอาอยู่ถ้าเขาไม่ได้ใช้อย่างบ้านไอ้ทางออกบ้านท่านเถืองเลยนะนถ้าเขาไม่ได้ใช้หน่าจะลถบรรทุกไปเอาอยู่เอามาเลี้ยงหมูเ อ, อรักกอที่มันตะปูตะปัดที่มันดูดๆแล้วมันนั่นน่ะ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 แต่มันมังเกิดบุได้มันเลือกบุไดให้ที่ไหนมันเกิดมาแล้วออนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละอมันก็อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มันเกิดผิดท่าผิดทางเพราะกรรมของมันกรรมคือการกระทําของมันในอดีตให้มาเกิดในยุคปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านไปพูดกับใครนาะจาชื่อไม่ได้ท่านบอกว่าเนี่ยพวกนอกศาสนาเนี่ยนะ คือนอกศาสนาบางคนเขาก็มียานัทัศนะเหมือนาากันได้มียานเหมืกันแต่ท่านไม่ปฏิเสธที่ว่ายานของเขาไม่ถูกต้องไม่ได้ปฏิเสธว่ายานทัศนะนอกพุทธศาสนานี่ยไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธยกตัวอย่างอย่งอางพระอะไรที่เคาะกะโหลกศีรษะนะนะอพระเคาะกระโหลกศีสษะเอากระโหกศีรษะมาแล้ค้อนเคาะป๊อก ป, อกปอก๊เขาจะรู้ได้เลยว่าอันนี้ สัตว์ไปตกนรกว่างั้นวิญญาณไปตกนรกแล้วก็ปกๆๆนีอ อ, อนี้วิญญาณนี้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมอะไรเขาจะรู้ดั่งทนี้พรามณ์นั้นก็ออกหากินแล้วว่างั้นเถอะเอากะโหลกศีษะมากระเคาะคนนี้ทำกรร ม, มนั้นมันไปเกิดนั้นอันนี้ไปเรื่อยจนถึงกรุงสวัสดี คุณชาวีคนก็นไปฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าพรามนี่ก็พาบริวารทั้งห้าร้อยคนนี้ไปเนียไปก็มองเขาไปอะไรงเ้ยไปหาพระพุทธเจ้าอย่งเง้ยเอ้ไปหาไหนพระพุทธเจ้านี่มาหาเราเนี่ ย, เ, ยเราบอกไม้หมดนะใครจะไปที่ไหนวะเอ้พวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นบอกพรามเนี่ยจะเป็นรู้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ยังไงพรามก็เลยงงเลยเอ้ จากนั้นก็เลยไปฟังเทศพุทธเจ้าไปถามพุทธเจ้าด้วที่เป็นยังไงพุทธเจ้าเห็นว่าหัวหน้าพรามนี่จะมาแล้วอ่างั้นเถอะพอมาเอากะโหลกคนที่ตกนรกคนที่ไปเป็นเปรตคนที่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคนที่ไปสวรรค์คนที่ไปพรมแล้วก็พระหรันอ่าหกะโหลกว่างั้น เ, อ, เอามาเอามากับพรามคเคาะอะไรว่างนั้นเนี่ยคอกระโหลกป๊อกป๊ก ป, อกปอกกบอก ก็จริงนะพระพุทธเจ้าท่านเออจริงพุทธยาก็ยอมรับแล้วงั้นแ่ะจริงข้อกัลโรคที่สองกัโรคที่สามกัลโรคที่สี่กัลโลกที่หกว่างั้นเถอะนะพอถึงกัลโลกที่หกเคาะป๊อกป๊๊เงียบข้อกัลโรคพระละหันว่างั้นเถอะไม่รู้จักทางไปทางมาเลยต่เนี่ยเคาะเสดนเ็กเงียบพุทธยาก็ถามว่ารู้ไหมว่างั้นไม่รู้วงั้นเลยเขาก็เก่งเหมือนกันนะ ชาอีกวันนะึ่งบอกว่าถ้าเคาะกระโหลกไหนแล้วไม่ติดไม่คล้องเน่คงจะเก่งในวง้นเถอะพวกพุทธเจ้าบอกว่ า, า, าไม่ได้ก่อนที่จะสอนต้องบวชซะก่อนทําบวชแล้วจะสอนให้พระวิชานี่เป็นวิชาที่จะสอนแบบซุมสีุ่่มห้าไม่ได้ต้องบวชซะก่อนแกก็ยอมบวชพรามเพรยอมบวชบวชพระองค์ก็สอนกรรมาฐานให้แล้วบาทเนี่ยพิยนาเกสาโลมานาขาทันตา ให้พิจณาร่างกายสังขารให้เป็นของไม่เที่ยงมั่นคงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดความเบื่อหน่ายเอสอนให้เบิดความเบื่อหน่ายนายทั้งกายนายทั้งใจประางนั้นเถอะอสอนให้ถอนอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นโอ้ยไม่นานแล้วพอเขามาพวกลูกน้องก็บอกว่าอาจารย์จะไงไปสึกหรือยังเอ้เดยเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเรากําลังเรียนอยู่ครั้งที่สองครั้งที่สามพอหลายวันคือมา พอประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นแหละสําเร็จพลรหันแล้ ว, าลวอาจารย์ว่าไงเอยเราไม่ศึกแล้วงั้นทูเจ้าจะไปที่ไหนก็ไปวะอออันนั้นบินฑิชาหลอกลวงอันนี้เราเจอของจริงเขาแล้วงั้น เ, เราไม่ศึกแล้ ว, วงั้นพวกเจ้าจะไปไหนก็ไปถ้าไม่ไปก็บวชก็บวชพวกนั้นก็เลยยอมบวชมะยอมบวชเป็นบริวารของท่านนะ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 อันนี้ยารรณทัศนนะนอกพุทธศาสนานี่ดูไม่ตลอดว่างั้นเถอดูไม่ยาวดูเพียงสั้นๆตนเองเอ๊ะ <Hey. S 2> ทำไมคนที่ทําความดีไปตกนรกแต่ว่าคนที่ทําความชั่วทำไปไปเกิดสวรรค์แหมทาไมเป็นอย่างนี้อันนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่านี่แหละนอกศาสนานเนี่ยมียาณทัศน ะ, รระคล้ายๆว่าวิทยุขื้นสั้นว่างั้นเถะมันเครื่องไม่ดีรับยาวไม่ได้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 มันวิ่งมาสวนปบเข้ามาเลยมาสวมวิญญาณก็พร้อมกันกันในขณะที่ตายกำลังใจจะขาดกันก็้ะลึกถึงความชั่วด้วยแล้วลึกถึงกรรมบางสิ่งบางอย่างกรรมตอนนั้นก็วิ่งปดเข้ามาหามากับมาล็อกเลยว่างั้นพอมาล็อกเสร็จก็โยนลงนรกเลยว่างั้นเน่ในทั้งที่ในชาตินี้เขาทำกรรมดีแต่ก็เถอะพ อ, อพ้นจากนรกขึ้นมาแล้ว กรรมดีของเขาที่เขาทําไปแล้วก็พาเขาไปสู่สวรรค์ได้พาไปสู่มนุษย์มันได้เพราะว่ากรรมกรรมคือการกระทําของเขานั้นให้ผลกรรมดีของเขาให้ผลอย่า ง, งั้นเถิดแต่ว่าทํากรรมดีทั้งกรรมชั่วก็ไม่เสียหายไปไหนอย่า ง, งั้นเถิดมันกระเรียนเคียงคู่ไปอย่างนั้นจุดแท้แต่กรรมไหนจะให้ผลในขณะไหนเวลาไหนสมมติว่าคนที่ทําทํากรรมดีทั้งกรรมชั่วนะเวก่อนที่จะตายใจจะขาดนะ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 ใจของมนุษย์อในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านเน้นหนักอย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าคนที่มีอายุสั้นมีกรรมไปมาอย่างไรอันนี้ท่านเทศให้ลูกชายของโตทยัพรามฟังว่าไงนนคนที่มีอายุสั้นชาติก่อนเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพเหมือนกับคนเราอาชีพเปเหมือนกันบางคนก็มีแต่ฆ่าปลาหาปูฆ่าวัวฆ่าไก่ฆ่าไก่ฆ่าเป็ดขายอย่างนั้นน่ะ เืออาชีพมันไม่เหมือนกันเลยคนที่ชอบฆ่าสัตว์เนี่ยชีวิตจะสั้นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ลังแก่สัตว์ไม่ถึงกับฆ่าอันนั้นร่างกายของเขาจะทุบพลภาพร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเกิดมาแล้วยากจนเพราะอะไรในชาติก่อนเขาไม่ยินดีในการให้ทานแต่คนที่เกิดมาล่ารวยเพราะเหตุอะไร เพราะเกิดในอดีตชาติของเขาเขายินดีในการทำบุญทำทานคนที่เกิดมาโง่เพราะอะไรเพราะไม่ได้สนใจเรื่องหาความรู้มีแต่กินเหล้าเมายาเมีแต่พวกยาเสพติดทั้งหลายแหละไม่ได้สนธนาปาลารบกับบัณฑิตหนักปลาเกิดมาโงา่แต่ถ้าเราผู้ใดชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเข้าไปหาบัณฑิตหนักปลาถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมเป็นการฝึกซ้อมในจิตใจอยู่เสมอถ้าเขาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้ฉลาดแต่บางคนเกิดมาในสกุลต่ำเพราะอะไรเพราะชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันอิจฉาเขาเพราะอิจฉาเขาเนี่ยทำให้ตัวเองตกต่ำาหอ น, น, นคนที่ขี้เลหขี้ร้ายคนที่สวยงามเพราะอะไรคนที่สวยงามเพราะจิตใจเบิกบาน กรพร้อมกันก็ยินดีทำบุญทำทานเกี่ยวกับเครื่องผ้าอาภรณ์เสื้อผ้านุ่งหง่มให้คนที่ขี้ร้ายกีเลเพราะอะไรเพราะเป็นคนชอบขี้โกรธทั้นขี้โกรธชุนเชียวจิตใจใไม่แจ่มใสจิตใจโมโหโธสูอยู่บ่อยๆเกิดมาพบหน้าชาดหน้าจะเป็นคนผิวพรรณวันะสามไม่สวยงามอันนี้หลักของพุทธศาสนาในท่านบอก ความเป็นมาเรื่องความเป็นไปของมนุษยชาติที่เกิดมาแล้วได้กรรมอะไรกรรมอันไหนให้ผลอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วไตรตรองดูตามเหตุและผลแล้วเป็นไปได้นะมแหคือคนที่ี่โกรธโมโหเนี่ยดูสิถ้าโมโหขึ้นมาแล้วทั้งปากปิดปากเบี้ยวหน้าดําหน้าแร่เวลาโกรธก็วิ่งไปดูกระจกว่าเป็นไงมองดู มองดูเงาหน้าใน ก, ก่ยจบหรเป่็นยังไงมันไม่สวยว่างั้นเเราเกิดพบหน้าชาติหน้าก็เป็นคนไม่สวยเหมือนเก่านั่นด้วยนั้นพวกเราควรจะสร้างแต่กรรมดีสร้างคุณงามความดีกรรมชั่วทั้งหลายอย่าทำถ้าทาไปแล้วก็ไม่ดีอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเนี้ยเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเขาว่าชีวิตจะสั้นเกิดมาแล้วก็ตายนี บางคนเกิดมาในสกุลที่ร่ำรวยไปเกิดที่รวยๆแต่เกิดมาแล้วก็ตายเพราะเหตุไรเพราะว่าอันนิสงทานดีอยู่แต่อันนิสงสินไม่ดีสงทานเนี่ยทำบุญทําทานในเลิศประเสริฐแต่เห็นอะไรค่าหมดอย่างเจ้าของโงฆ่าสัตว์อย่า ง, า ง, ง, าางนี้ไปเห็นพาเห็นเจ้าก็ทําบุญทําทานโอ้ทาบุญทําทานดีมากกับครูบาอาจารย์อพระปฏิเจ้าพระพุทธเจา้าพระลหันสาวกท่านภูมีศีนทําบุญทําทานหมด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 ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดการเมนสมมติช้าจาย์ไม่โกโหกไม่ดื่มทุราเนี่แหละหเป็นขนทางที่ร่มเย็นผาสุขเกิดมาในภพใดชาติใดก็จะร่มเย็นผาสุขทั้งหมดนะถ้าว่าไม่มีศีลมีธรรมหรืออยู่ในจิตในใจมีแต่บาปเอาคุศสติดจิตติดใจแล้วมีแต่ความทุกข์ได้เดือดร้อนวุ่นวายนะควรจะสร้างแต่คุณงามความดีอประดับจิตประดับใจของพวกเราพวกเราจะพบแต่ความสุขความเย็นใจพบใครๆก็ พบคนดีไม่พบคนเลวเหมือนกันเะ